ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องมหั tn นสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการมีทรัพย์สมบัติมากเป็นคำถามของเทวดาอีกเช่นเคยแต่ว่า เป็นการการถามถึงคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นวิถีชีวิตภายในสังคมประเด็นตรงนี้ท่านไม่สงสัยแต่ท่านสงสัยประเด็นที่ทรงกันข้ามหมายความว่ามีบุคคลประเภทที่ทรงกันข้ามอย่างเนี้ยไม่ในโลกเนี่ยมันก็ทำนองคล้ๆกับพูดเรื่องคนทั้งหลาย ไม่ค่อยมีความละอายต่อบาปไม่มีความไม่ค่อยมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปแต่วันในโลกเนี้มีไหมคนประเภทที่ละอายบาปและสะดุ้งกลัวต่อบาปสามารถสกัดกั้นกระแสของอกุศลได้ด้วยชิริท่านกราบทูลถามว่ากระสสา ร, รทั้งหลายมีทรัพย์มากมีสมบัติมากทั้งมีแว่นแคว้น ไม่รู้จักพอในกาลทั้งหลายย่อมแข่งขันซึ่งกันและกันมือกษัตริย์ทั้งหลายมัวขวนขวายลอยไปตามกระแสแห่งพบบุคคลพวกไหนไม่มีความขวนขวายละความโกรธและความทยานอยากเสียได้แล้วในโลกนี้คือข้อนี้เป็นหลักความจริงนะฮะคือกษัตริย์เนี่ย พูดง่ายๆว่าประเทศจําเป็นจะต้องมีความมั่นคงและก็มีความมั่งคั่งสิ่งที่เราพูดเรื่องความมั่นคงของระดับประเทศเราจะพูดกันในสี่เรื่องใหญ่หญคือเนื่องความมั่นคงในด้านของเศรษฐกิจหมายความว่า มรีรายได้มากออมีระจายไม่มากส่วนหนึ่งก็กลายเป็นเงินที่เก็บออมเป็นเงินคงครังเอาไว้เพราะว่าชีวิตเรามันไม่เที่ยงโอกาสที่จะเกิดภัยเกิดอันตรายเนี่ยมันมีอยู่เสมอถ้ามีมีเงินประเภทเก็บออมเอาไว้ เวลาเกิดภัยอันตรายแล้วก็จะทำยังไงเพราะเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศจำเป็นเนต้องดิ้นรนด้วยความอยู่ดีมีสุขจนถึงอยู่เย็นเป็นสุขคือสามารถวางใจสถานการณ์ต่างๆรอบตัวได้แต่เราก็ต้องยอมรับตัวว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยง ตอนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจถ้าเรามองถึงประเทศเราสมัยหนึ่งมาตอน40เนี่ยมันเกิดคนเคยรวยขึ้นเยอะก็แสดงว่าคนเหล่านั้นเมื่อก่อนก็มีฐานะมั่งคั่งร่บรวยเพราะเศรษฐ ก, ก, กิจของเราไปผูกโยงอยู่กับโลกด้วยก็ทำให้มีปัญหาพอมีปัญหาก็ พังระเนระนามันก็เกิดประโยคที่เราเรียกว่าตลาดขึ้นคนคนเคยรวยมีการเอาของทรัพย์สมบัติต่างๆใส่ท้ายรถแล้วก็มาเปิดขายกันแต่คนบางคนก็อาจจะเริ่มไปนับหนึ่งหนึ่งใหม่แล้วก็ค่อยๆก้าวขึ้นมาแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหล่านี้มันก็เกิดได้เยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสาธารณาภัยภัยจากน้ําไยจากลมภจากดินไัจากอากาศไปจากโรคภัภยไข้เจ็บไปจากโจรผู้ร้ายสารพัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วแต่ละปัญหาจะเป็นจะต้องมีเงินเข้าไปมีส่วนในการแก้ไขทั้งนั้นไม่มีเงินก็จบสิ้นแล้ว คือสังคมเรามันกลายเป็นสังคมไม่ใช่ยุคของกเกษตรกรรมแต่เป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นสังคมที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์แน่นอนเราไม่จำเป็นจะต้องเปดิ้นรนขวนขวายตามกับทุกเรื่องแต่ก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้ทำกลาความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แม้จะมีการพยายามเผยแพร่ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแต่ก็จริงไอ้กรอบที่เราจะตีคำามาพอเพียงมันคืออะไรมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะครอบครัวเราก็แตกต่างกันมีปัญหาไม่เหมือนกันมีสาเหตุของปัญหาไม่เหมือนกันมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจแต่แกตนเองก็ไม่ทัดเทียมกัน ปัญหาในสังคมจึงเป็นปัญหาที่เราเรียกว่าโง่จนเจ็บความไม่รู้ความยากไร้โรคภัยไข้เจ็บาการวางแผนครอบครัวมีเป็นนิรันด์แค่เว้นไว้แต่โลกจะร้ายมนุษย์นะครับกะดับใดที่มีมนุษย์เนปัญหาเหล่านี้ก็ต้องมีผลโดยปกติแล้วประเทศนิรัฐประเทศคือสมัยก่อนนที่ท่านพูดกษัตริย์ พระกษัตริย์เป็นผู้นำหมดทุกอย่างเงินทองก็ไปกองอยู่ที่ทองพระครังแล้วก็มีปัญหาอะไรก็กระจายออกมาจากทองพระครังก็เงินของรัศดรภาษีของรัศดร น, นั่นแหละไปเก็บกออมไว้ร่วมกันในทองพระครังแล้วบางทีมันเกิดสาธารณภัยเนี่ยมันเสียหายเป็นหมื่นหมื่นล้าน คือถ้ารัฐยากจนเราจะทำไงคือถ้าเรามองหลายหลายมิติหลายแง่หลายมุมเนี่ยมันเป็นความจำเป็นที่ถูกบีบบังคับขึ้นมาโดยเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมบริษัทก็ต้องขวนขวายอย่างเนี้ยเรื่องดินแดน แต่พูดสมัยโบราณแน่นอนดินแดนไม่มีการยุติเขาเรียกว่าข้อตกลงที่เกี่ยวกับบรณาพแหแผงดินแดนเนี่ยมันยังหาข้อยุติไม่ได้ใครมีกำลังมีพวกมากก็ยกเข้าไ ป, ปร่นยึดครองพื้นที่ของบุคคลอื่นคือเราเห็นว่าประเทศไทยเราเองน เกือถะพูดถึงว่าบุภาพแห่งดินแดนเวลานี้เรายังมีกรณีที่ไม่ชัดเจนรอบด้านทางภาคใต้ก็มีบางส่วนที่ไม่ชัดเจนทางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคเหนือบางส่วนก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนการจะหาข้อยุติ ให้เกิดบวณภาพแห่งดินแดนแล้วเคารพกันเนี่ยมันยิ่งยากอย่างว่าเราเวลานี้ก็มีเอกสารเผยแพร่ที่ประกาศให้ปัตตานีเป็นเป็นรัฐนะครับปัตตานีดารุสลามคำว่าดารุสลามเนี่ยแปลว่าอิสลามที่บริสุทธ หมายความอิสลามล้วนๆคนอื่นอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้เพราะคนอื่นไม่บริสุทธิ์บุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์มีปฏิบัติการที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอนราเห็นว่าดินแดนสามจังหวัดเองก็พริ้วไหวละ่ะแล้วไปแถมจังหวัดสงขลาบางอำเภอจังหวัดสตูลเข้าไปอีกอพูดไปพูดมาเป็นห้าจังหวัด เพมันถึงจุดนี้จําเป็นจะต้องรักษาดินแดนทีนี้ในการรักษาดินแดนเนี่ยต้องใช้เงินเมื่อใช้เงินมาก็ต้องสแสวงหาเงินมาใช้รเราเห็นว่าไอการทางภักได้ตั้งแต่เริ่มรุนแรงมาตั้งเริ่มตั้งแต่สี่มกราสี่เจ็ดเนี่ยมันก็เงินทองลงไปอยู่ข้างล่างเยอะ แล้วก็ปัญหาก็ยังทวีอยู่ยังเพิ่มพูนมากขึ้นอยู่ปัญหาเรื่องดินแดนจะมีปัญหาตลอดก็อย่างที่เคยบอกว่าที่ท่านพูดไว้เป็นคำกรอนเอามาได้ยินมาตั้งแต่บวชพรรษาที่สามั้งก็มีพระรูปหนึ่งท่านเทศแต่ท่านไปได้มาจากไหนก็ไม่ทราบ ท่านบอกว่าธรรมชาติของสัตว์โลกเนี่ยมันแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่ย่งคู่กันพิศวาสแย่งกำลังกันเป็นใหญ่แต่ก็ไม่ได้ถามท่านอธิบายหรอกเราก็มาคิดมาคิดเรามาวิเคราะห์จากสัตว์เรามองสัตว์อะไรต่างๆแล้วก็มองมนุษย์มองประวัติศาสตร์มองสถานการณ์ในปัจจุบันบอกก็เออก็จริง พอความโลภหลงความโกรธมันเกิดรุนแรงเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันแยกท้งนั้นเลยแล้วก็อาจจะถึงบตดเจ็บล้มตายทั้งอาหารทั้งที่ดินทั้งคู่ครองทั้งอำนาจเนี่ยคนจะจะเดินยังไงก็ตามถ้าจะถ้าจะ เ, จ ร, จะเจริญในทางโลกละอย่างแย่งกันอยู่นั้นแหละ นะบ้านเราก้าวหน้ากันขนาดไหนและยังมีการปฏิวัติรัฐประหารกันอยู่นั่นคือความจริงประตึงจุดหนึ่งมันจะมีการแย่งกันแล้วก็ใช้เหตุผลของตัวเองถือว่าเป็นความชอบธรรมวิธีการก็คือต้องโยนต้องป้ายคนอื่นให้และเลยเพื่อให้เขาเกลียดสร้างแนวร่วม แล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าพวกตนนั้นเป็นผู้มีคุณอุปการเราแผ่นดินเพราะเงื่อนไขประเด็นนี้เป็นเงื่อนไขที่มันมีความพลิกแพลงเมื่อวันที่สี่ธันวาคมเป็นวันเกิดของพลเอกเสรีพุกมานเจ้าของรายการเนี่ย ก็ท่านนิมนต์ไปฉันพัฒหารก็ในขณะที่ฉันก็คุยเรื่องเกี่ยรตบศพของหลวงพ่อวัดเชิงหวายที่ไม่น่าไม่เปื่อยแล้วก็มีการถกเถียงกันแล้วก็มีการประท้วงต่อต้านไม่ยอมให้เผาโดยต้องการจะเก็บไว้สักการบูชาก็ก็มีพระ ดังนั้นอามาก็บอกว่าคือข้อที่สังคมไม่ควรลืมคือศรัทธานั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับราคานความรู้สึกศรัทธาก็ดีเคารพก็ดีพักดีก็ดีนะฮะรักก็ดีเทิดทูนก็ดีอะไรตัวเนี้ยความรู้สึกดีดีเนียคือทุงจุดหนึ่งี่ถ้าทำให้เขาโกรธคือสองอย่าง หมายความว่าคนที่เขาศรัทธาอยู่แล้วทำให้เขาผิดหวังเนี่ยคนที่ศรัทธานจะหันมาเป็นศัตรู ท, ทันทีแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อบุคคลเรานั้ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เขาฟังนะบอกว่าเราสังเกตรกรณีของนิกรกรณีของภาวนาพุโทโธกรณีของยันตระเป็นคนใกล้ชิดท้งนานเลยหันมาทำลายหันมาเป็นศัตรู แต่ในขณะเดียวกันวัตธรรมกายเนี่ยธรรมชโยกัทัตติวโวเนี่ยก็ถูกราหาใสายได้มากมายไก่กองแต่ว่าที่น่าชื่นชมคือไม่ใช่คนในเมื่อไม่ใช่คนในไปแตะต้องคนที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาก็เกิดโทสะพ้นสมหลวงพ่อก็เหมือนกันคืออย่าลืมว่าเขาศรัทธาที่จริงศรัทธานะ่ะมีมาก่อน ศัทธามานานแล้วหลวงพ่อเป็นพระที่เสียสละมากเจอเกือกูลสังคมมาเยอะแยะไปหมดเลยแก่หลายชั่วคนด้วยสิ่งเหล่านี้มันกระ ส, ะสมอยู่ภายในจิตของท่นานเมื่อเปิดศพขึ้นมาเห็นว่าท่านศพไม่น่าไม่เปื่อยไอศรัทธาที่จะรักษาศพท่านไว้มันก็เกิดขึ้นเพราะต้องการให้หลวงพ่อเป็นหยุดยึดเหนียวทางด้านจิตใจ จะคุณทำกุศลท่านก็ถามว่าแล้วถ้าเผ า, าไปเนี่ยจะหมดศรัทธาหรือบอกไม่ใช่นะคือเราจะลืมว่าวุฒิภาวะของคนเนี่ยมันต่างกันคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกคล้ายๆกันลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงพ่อลีวัดอโศการามหลวงพ่อขอมวัดไผ่หลวงหัวเป็นต้นเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยในบ้านเราเนี่ยไม่ต้องการให้เผาครูบาอาจารย์ข่าว แล้วเขาไหว้ไหว้สักการะบูชาแล้ที่ยังยิ่งก็คือเป็นศูนย์รวมนั้นจิตใจของลูกศิษย์ก็จะมานัดพบกันและวัดเองก็จะมีผลประโยชน์มีรายได้ก็หลวงพ่อมรณภาพไปก็เหมือนหลวงพ่อมีชีวิตยอยู่อันนี้คือพลังอสนศรัทธาแล้วไปแตะต้องจะไปเผาจะไปทำลายซากศพท่านมันก็สู้กันทันนั่นเอง เันคนนอกอย่าไปก้าวกายเขาเขาปรารถนายังไงก็คือเรื่องของเขาเราไม่ได้เกี่ยวราชการเองก็อย่าไปยุ่งกับเขามไม่เสียหายหอะไรดีนะเป็ยิงศพจะเผาหรือจะถ่าจะจะฝังหรือจะเก็บมันก็คือการมันก็เป็นแต่ซากเท่านั้นเองแต่ส่วนจิตวิญญาณก็ไปเกิดแล้ว ตามพลังของบุญของบาปเพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าศรัท ธ, ธาในความรักเนี่ยคนของข่าขยแตะศรัท ธ, ธาก็เหมือนกันนะฮะคนของค่าขยแตะอาจารย์ค้าขยแตะเพราะมันจึงสามารถสละชีพเพื่อพิทักษกษัตริย์ตัวเองได้เพราะว่าความพักดีคือเราเรียนรู้จากมนุษย์แล้วก็พยายามเข้าใจมนุษย์ แล้วก็ยอมรับถึงวุฒิภาวะเขาเกลือคิดเหมือนเราไม่ได้เพราะว่าคนเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเราแล้วก็บอกท่านบอกบอกว่าการเก็บไว้นี่มันจะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังแก่วัดแล้วก็ที่จริงแก่พระศาสนาที่เป็นองค์รวม มันก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เกิดทำไม่มีความรู้สึกว่าพระภิสุในพุทธศาสนาเนี้ยมีมีลักษณะเด่นเ ร, เ ร, เราเนี้ยอยู่เยอะมากนะฮะมีอยู่มากๆ เ, เ, เ, เ, เราไม่รู้หรอกว่าก่อนท่านมรณภาพเนี่ยท่านจิตท่านเป็นยังไงแล้วท่านอธิษฐานว่ายังไงเราไม่รู้หรอกแต่อย่าลืมาการฝึกปลือในท่านจิตใจเนี่ยพระบางองค์ที่เรารู้จัก ก็ดูแล้วไม่น่าจะจิตใจสูงขนาดนั้นแต่ก่อนจะดับเราไม่รู้เลยคือบอกองเราก็นึกไม่ออกเอ๊ะทาไมกระดุท่านเป็นธาตุได้้าสวยงามเชด้วยพ็ดูก่อนที่จะมนภาพท่านไม่น่าจะสงบลึกขนาดได้ขนาดนั้นอั น, นี่ก็คือสภาพของจิตใจที่มีความ ความรักนะฮะไม่ใช่ความความศรัทธาความเคารพความรักถือซึ่งมันก็เหมือนกับความโลภความอยากได้เนี่ยมันก็เกิ ด, เ ก, ดเกิดการขัดแย้งกันเราเจะเห็นว่าอาหารก็ดีทิ่นี่อยู่อาศัยก็ดีคู่ครองก็ดีแล้วก็ดินแดนก็ดีที่มันเกิดขันขัดแย้งกันเนี่ยเพราะความโลภ คือต่างคนต่งางต้องการจะครอบครองอะ่ะครอบครองตามที่เขาต้องการเพราะ้นเรื่องมาเรื่องไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เขาต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นนี่คือธรรมชาติเพราะ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยในการแว่นแคว้นก็ดีหรือว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ดีในถึงจุดหนึ่งมันก็มีการยื่แย้งมีการต่อสู้กัน เช่นปริมาณคนก็เพิ่มขึ้นอย่างสมัยโบราณ ấy. เนี่ยก็จําเป็นจะต้องขยายดินแดนเพราะทางนั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่พออยู่พอกินแต่นั่นคือโลกมันต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่พวกนี้ก็อีกอาศัยซึ่งกันและกันหมายความว่าถ้าสังคมมีปัญหาเสจำนวนพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนลดน้อยลง เพราะคนเพิ่มขึ้นเนี่ยทำไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจผมมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็มีปัญหาทางสังคมมีปัญหาทางสังคมทางบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ตามเมื่อสังคมมีปัญหาแล้วบ้านเมืองก็ต้องใช้พลังมากในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ถ้าเป็นั้นเองบ้านเมืองก็ถูกโยกคือเกิดความไม่มัน่นคง อันนั้นเราสังเกตว่าเลวลานี้ดูชัดเจนนะเชร่ว่าประธ า, านาธิบดีก็ดีหรือนายกงบีก็ดีที่มาจากการเลือกตั้งถ้าประชาชนเขาจะเอาคนนี้และใครไปขวางเขาไม่ได้คนจะเกลียดยังไงก็ตามแต่เปิดเปิดโอกาสให้ประชาชนเขาตัดสินใจเขาก็ใช้ความรักส่วนตัว คามรู้สึกเคารพส่วนตัวเขาเขาเชื่อมั่นส่วนตัวเขาแล้วก็เลือกในเลือกมันก็ใช้เสียงข้างมากเมื่อเสียงเขามากเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกคืออย่างเราดูประธานาธิบดีบางประเทศข่าวคราวท่านไม่ค่อยดียแต่ว่าทุกครั้งก็ราษฎรเขาเลือกเขามานั่นคือความรัก แล้วใครไปทำอะไรไม่ได้มันจะเกิดโกรธเพราะงั้นในแวดวงของโลกเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ามันเป็นการพยายามที่จะกำกับควบคุมพวกกิเลสพวกนี้แหละทำยังไงว่าในทิศทางของการแสวงหาอย่าให้ถึงกับรุนแรงให้ได้มาในทางที่ชอบทำ แต่ว่าธรรมดาชาวโลกจะต้องมีการแข่งขันท่านก็บอกว่าไม่รู้จักพอในกามทั้งหลายคำว่าในกามทั้งหลายเนี่ยคือทรัพย์สินขาดทั้งหลายคือทรัพย์สมบัติทั้งหลายเรียผลประโยชน์นะพูดง่ายว่าผลประโยชน์ทั้งหลายวึองออกมาลักษณะต่างๆแต่สรุปรวมแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือกามคือสิ่งที่คนอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นเจ้าของครอบครอง ถามว่าเท่อะไรจะพอมันไม่มีเพราะจริงๆถ้าในองค์รวมของความเป็นชาติเนี่ยมันพอยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าราษฎรก็เพิ่มขึ้นทุกวันมีปาก ท, ท้องที่จะต้องเลี้ยงดูเพิ่มขึ้นทุกวันมีเสื้อผ้าจะต้องใช้เพิ่มขึ้นทุกวันมีที่อยู่อาศัยต้องใช้เพิ่มขึ้นทุกวันมีสถานศึกษามีอะไรตอะไรต่างๆลุงยาบงบันมาเป็นแถวมาเลย มายความมาท้าสัดส่วนของความเจริญเติบโตของพวกสาธารณูปโภคทั้งหลายเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของประชากรมันก็กลายเป็นวิกฤตทางสังคมนรานธรรมดาโลกก็เป็นอย่างนั้นแหละเราจะห้ามไม่ให้โลกมีกิเลสไม่ได้ เพร่อนแยของศาสนาพูดในระดับที่เรียกว่าอย่าลุ้นอำนาจแก่กิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นภายในใจคุณก็มีกิเลสนั่นแหละแต่ว่าทำยังไงอย่าให้ถึงเป็นธาตุของกิเลสอย่าเกิดความรุนแรงในการแสวงหาในการได้มาในการครอบครองในการไปพวกใช้สอยตลอดถึงแม้ในการแจกแบกในการเก็บออม ทั้งหมดแหะมันก็ดูความเหมาะความควรแล้วการแข่งขันการ น, นั้นเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าถ้าแข่งขันกันในทางที่ชอบที่ควรมันก็เป็นวิถีสังคมอย่างหนึ่งแต่เราจะเห็นว่าสมมติว่าเขาเปิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ย มันก็กระจายรายได้แพร่หลายมากิ่งขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าสังคมไม่มีองค์กรในลักษณะนี้แต่คนเป็ น, น, นมากมันก็จะมีปัญหาอย่างคนไทยเราคติเดยวนคนไทยเรายังคิดในการทำงานเป็นลูกจ้างลูกจ้างของรัฐลูกจ้างของบริษัททางร้านเอกชนต่างๆ แต่ความคิดที่จะมีกิจกรรมเป็นของส่วนตัวนั้นก็คิดนะฮะแต่ว่ามันก็ทำได้น้อยเพราะว่ามีการแข่งขันกันสูงทีนี้ตั้งกรถามว่าเมื่อกริส์ทั้งหลายนั้นมัวขวนขวายก็ทำให้ท่านลอยไปตามกระแสของพบก็คือความมีความเป็นต่างๆเนี่ย น, นะฮะพบอย่างหนึ่งก็คือ สังขารภพหมายความว่าไอ้การแสวงหาบางอย่างก็เป็นบุญบาปบ้างเป็นบาปบ้างก็แล้วแต่และแต่แแตบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีบาปเลยนี่เป็นไปนไม่ได้เพราะการที่พระเตมีโพธิสัตว์ไม่ยอมเป็นกษัตริย์ก็เพราะท่านเห็นว่ามันเป็นทางมาของบาปนี่เยอะการครอบครองอะไรก็ตามที่จะไม่เกิดบาปเนี่ยไม่มีถ้าเป็นวัตถุสิ่งของ ในการมองระดับนี้ไม่ใช่มองง่ายจะพูดไม่ง่ายแต่ว่าปฏิบัติมันยากอย่างคนอย่างพระมหาเกษปะสะละทรัพย์สริงคารทั้งหลายจะนวน180ร้อยแปดสิบกอดประสาทบุตรประโมคค า, านณะในส่วนของครอบครัวนะฮะครอบครัวมีเงินถึงห5ร้อยห้าสิบกอด พระพุทธเจ้าเองก็สละราชสมบัติจำนวนมหาศาลประยสก็สละทรัพย์สมบัติมหาสาลอุเสตชีาราชกุมารพระมหาศาลนิสละเยอะแต่เราจะเห็นว่าจุดต่างก็คือว่าจิตใจของท่านเหล่านั้นมันกิเลสมันจางคลาย หมายความว่ามันไม่ไหลไปตามกระแสไม่ลอยไปตามกระแสของกิเลสคือกำกับควบคุมกิเลสได้อวิธีคิดเนี่ยอย่างนี้เคยยกตัวอย่างว่าสุมเมธธดาบทสุมเมธธรรมนบนะฮะก่อนที่จะบกบวชเป็นดาบทเนี่ยท่านมองทรัพย์สมบัติซึ่งถ่ายทอดมาจากเจ็ดชั่วบรรพชน แล้วก็มีลูกทนต่อกันมาเป็นแถวเนี่ยและท่านเองก็เป็นลูกทนคนสุดท้ายของสกุลทรัพย์สมบัติก็มากระจุกอยู่ที่ท่านน่ะจำนวนมหาศาลท่านมองด้วยความสงสารบรรพชนแต่ท่านมองด้วยความเบื่อหน่ายที่จะครอบครองทรัพย์สมบัติ สงสารบรรพชนก็คือว่าบรรพชนพยายามเก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองไว้จำนวนมากแล้วก็ชิงไว้ในโลกนี้ทำงานเหนื่อยแทบตายเอาไปไม่ได้แล้วถ้าเราจะครอบครองก็คือเราก็เอาไปไปได้เหมือนเดิมเพรานทำยังไงจะแปลสภาพให้เอาไปติดตัวไปได้คือแปลสภาพเป็นบุญเป็นทานเป็นการสงเคราะห์เป็นการอ น, นุเคราะห์ เป็นการให้แก่ผ่านแผ่นดินเพื่อใช้ประโยชน์แก่อนณาประชาราษฎรพระท่านก็สละหมดมันเป็นความคิดของคนระดับพระโพธิสัตว์คนระดับพระรยบุคคลแสดงว่าโดยพื้นฐานจิตของท่านเนี่ยกิเลสมันจางคลายลงไปเพราะเราจึงพบว่า พระอรหันต์จำนวนน้อยเท่านั้นเองที่พฤติกรรมของท่านรุนแรงก่อนที่จะกลายเป็นพระอรหันต์แต่เพราะโยอเพราะเขาเพราะลงผิดเพราะข้าใหผิดอย่เช่นเช่นพระองค์ครีมานอะไรเงี้ยเกิดใจได้ทั้งหมดมันเป็นเพราะโยอเพราะเขาเพราะข้าใหผิดพราะหลงผิดเท่านั้นเองพรอท่านพิจิตรีเดียวท่างก็เป็นพระอรนล้ว ก็แสดงว่าพื้นดีเนี่ยมันถูกกรบไว้แต่ น, นั้นแต่ก็ยังอยู่ก็อย่างที่โบราณท่านว่านะฮะของดีดีเด็ดเป็นเพชรเป็นทองถึงไร่เจ้าของก็เหมือนตัวอย่างถึงซ่อนรูอุดุงขุดุงฝัง<ม>ก็มีวันปรั่งอัลังจูเออยทีนี้อาการขวัขวาอย่างเนี้ยการแข่งขันอย่างนี้มันต้องเกิดอาการกระตุ้น ให้เกิดความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใครขัดขวางใครเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็จะเกิดโกรธมันก็เลื่อนไหลเข้าสู่กระแสของตัณหาเราจะลืมมาตัณหาเนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วใครขัดขวางการได้การมีการเป็นของเราเราจะโกรธจนบางครั้งนี่มันแปลง ก็เรียกว่าผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยตายเสียดาคขังหนึ่งจึงจะดีนั้นแสดงให้เห็นว่ามันด้วยความรู้สึกอยากได้โดยไม่ยอมให้คนอื่นแย่งไปก็ก่อนจะได้ครอบครองก็ฆ่าคนอื่นไปก่อนนั้นความรุนแรงของของมนุษย์และถามว่าหมดทุวอย่างมันไม่หมดหรอกกสับใด่ที่คนยังเป็นคนมันไม่หมด ทีนี้ในขนาดเดียวกันอะไรที่เราไม่ต้องการได้เนี่ยไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นและถูกบังคับถูกยัดเยียดให้ต้องได้ต้องมีต้องเป็นเราจะเกิดโทสะมันก็คือวิปัสสนาตีเทวดาท่านมองเห็นว่ามันก็บุญอะมันบุญวายเลยเกินแล้วโลกมันก็บุญกบันอย่างนี้ แต่ตราใดที่ยังเป็นโลกมันก็วู่นอย่างเงี้ยอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพวกผู้หญิงเพื่อนของนางวิสาขาว่าเธอตั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่อีกเล่าในเบอโลกสันนิวาสเนี่ยลุกโผร่อยู่ตลอดเวลาเพราะเธอตั้งหลายที่ถูกความมืดทุ่มม่อเอาไว้ทาไมไม่สแสวงหาที่พึ่งให้แกตนเอง พน์ดเจนว่านี่คือวิถีของโลกวิถีของสังคมส่วนใหญ่จะเป็นลีลาอารมณ์ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นมาจากกิเลสที่สรุปรวมเป็นโลราคาโลพาตุสัมมหะนะฮะทีนี้ปัญหาที่เทวดาท่า น, ท, านท่านต้องการรู้เนี่ยว่า บุคคลพวกไหนไม่มีความขวนขวายละความโกรธและความทะเยอทะยานเสียแล้วในโลกนี้มันมี mm. หรือเปล่าคนพวกนี้ผู้เจ้ารับสั่งรับสั่งข้อ น, นี้ให้ลองสังเกตว่าจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับจิาตตสูตรจาตาสูตรพูดในแง่ของความรกชัดที่อยู่ข้างในและท่านก็คิดว่ามันน่าจะรกชัดทั้งหมด มันมีใครสามารถจะถามรกชัดเหล่านี้ได้ไหมแต่ว่าวิธีถามมันต่างกันนะนนคือว่าจริงๆแล้วก็คือกันพุยจ่ารับสั่งว่าบุคคลทั้งหลายใครก็ได้ก็ไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งมันคือศาสนาพุทธเขาไม่พูดที่คนนะฮะเาพูดที่กรรมพุทิกรรมกระทำของคน แลใครทำไม่สาคัญหรอกสาคัญว่าทำอะไรทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรแต่มาแล้วมันเกิดโทษเกิดประโยชน์อะไรเธอบอกว่าบุคคลทั้งหลายละเรือนละบุตรละปะสุสสทิรักเป็นการยกตัวอย่างหมายความว่าละทั้งสังหาริมาทราบอสังหาริมาทรย์คือทั้งเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่ถ้ายัางอยู่ในเรือนเนี่ยมันก็ทําได้ระดับหนึ่งแต่พอดีเทวดาถามไม่มีเลยบุคคลพวกไหนไม่มีความขวนขวายละความโกรธและความทะเยอทะยานเสียแล้วในโลกนี้โอ้ถามขนาดนั้นมันพูดธรรมดาไม่ได้แล้วก็บังคับให้พูดถึงคนที่สมบูรณ์ในเรื่องเหล่านี้ท่านฟังเราสังเกตว่าผิดกับคาถามเรื่องมงคล บุคคลท่านถามว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าใดโปรสัตบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็มงคลก็พากันได้เรื่อยแต่นี้ท่านท่านท่า น, ท, า น, ท, า น, ท, านท่านถามเอาสุดยอดเลยหมายความว่าพริกจากหน้ามือไปหลังมือพลิกจากโลกเป็นโลกุตตรคือพ้นโลกเลยพันเกณฑ์ที่ทรงเรียงเนี่ยก็หมายความว่าสละปู ก, การทั้งหลายวัตถุ ก, การทั้งหลาย แล้วก็บวชแล้วทีนี้ไม่ใช่บวชเฉยๆไม่ใช่บวชเฉยๆไม่ได้บวชโดยรูปแบบแต่บวชที่เข้าถึงเขาเรียกว่าบวชทั้งกายทั้งใจหมายความว่ากายก็สงบวัจจาก็สงบใจก็สงบจากอำนาจของกิเลสเพราะนั้นท่านถึงรับสั่งว่ากรรมจัดราคะโทสะและวิชาเสียแล้วลองสังเกตนะฮะตรงนี้พูดสามข้อ ราคะกระตาไม่ทําไมพูดราคะไม่ทําไมไม่พูดโลภะเพราะว่าพูดถึงคนบวชคนที่บวชเนี่ยยังเป็นพระเนี่ยเป็นเจ้าน้ำเจ้าคุณอะไรก็ตามไปนะแต่ว่าใจยังตรึกนึกด้วยอํานาจราคะอยู่ยังพอใจในสีในเสียงในแสงกันอยู่เนี่ยราคะก็ยังอยู่ มันไม่ใช่ว่าใจใจใจของพระต้องไม่มีราคะมันต้องพยายามปฏิบัติแล้วกำจัดราคาได้ทีนี้ในแง่ของความจริงอะไรที่เราไม่มีราคะนี่เราไม่มีโทสะยกตัวอย่างว่ามีของอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่มีความยึดติดอะไรว่าเป็นของเราแม้จะเป็นของเราเนี่ยคือใจมันปล่อยวางไปแล้วไม่ใส่ใจไม่สนใจแล้ว ใครจะหยียดจะช่วยไปเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะนี่คือการพูดถึงคุณสมบัติของพราหารันเพราะดีเทวดาเขาถามในเรื่องโลภะกับเรื่องโทสะเพราะฉะนั้นก็รับสั่งว่าคนอย่างเนี้ยกำจัดราคะแล้วก็โทสะได้นี่ต้องการจะให้เทวดานี่ชัดเจนว่าราคะกับโทสะมันมาจากโมหะหรือมาจากกวิชา ติริการที่กษัตริย์ทั้งหลายหรือคนทั้งหลายไหลไปตามกระแสต่างๆแล้วข้องติดอยู่ในอารมณ์โลกทั้งหลายนี่พระท่านยังมีวิชาเป็นความมืดบอดใ น, นั้นเหตุผลระดับต่างๆเพื่อเมื่อเมือนั้นยั ง, ย, งยังมีวิชาก็บอกว่าละอวิชาเสร็จแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอันนี้คือไข ค, ความเฉยเพราะว่าอาวิชานั่นแหละมันมีอาสวะอยู่แล้วมันมีราคาอยู่แล้วมันมีโทสะอยู่แล้วในคำว่าอาวิชานั่นแหละหรือในคำว่าอาสวะนั่นแหละเพราะอาสวะจึงมีกามอาสวะอาสวะคือกามกามก็หมายถึงตัวจริงๆนะฮะหมายถึงตัวกิเลสกา แต่วัตถุข้างนอกสำหรับคนที่มีกิเลสกามอยู่เนี่ยมันก็ไปกําหนดด้วยความกําหนัดสิ่งเหล่านั้นเลยกลายเป็นวัตถุกามสําหรับท่านผู้นั้นแต่ไม่ใช่สำหรับคนทุกคนนะฮะไม่สำหรับคนทุกคนก็คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับศพหลวงพ่อที่ว่าเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่องอยากให้เผากับคนกลุ่มหนึ่งไม่อยากให้เผาก็แสดงว่าศพเดียวกันเนี่ยความรู้สึกต่อหลวงพ่อเนี่ยแตกต่างกัน มันเป็นเรื่องจิตใจกันแต่ละคนเป็นเรื่องวุทฒิภาวะกันแต่ละคนเพราะงั้นภาวาสวะอันสวะคือพบพบในที่นี้นี่ก็คือคือที่เทวดาบอกว่าลอยไปตามกระแสะแห่งพบกามาพบรูปประพบรูปประพบก็ประนีขึ้นไปไดรืย่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องการ พบที่ประดิษฐ์ขึ้นไปเรื่อยๆทั้งนั้นเพราะนันไม่ต้องทำลายเพราะถ้าตราบใดยังมีพบก็แสดงว่ามีชาติทีนี้การมีชาติคือความเกิดแสดงว่ามีอวิชชามีราคะมีโทสะที่ถามทั้งหมดเนี่ยทีนี้เมื่อพูดถึงขั้นสูงสุดก็คือเป็นผู้มีอาสวัสิสิ้นแล้วก็คือบรรลุอาสวัยะ แน่นอนเป็นการพูดตามคําถามรับสั่งตามคําถามแต่ว่าเอกิเลตการจะละเขาได้เนี่ยมันก็ต้องพยา ย, นะพยามไปเรื่อยๆนะพยายามไปเรื่อยๆลดละไปเรื่อยๆยังไงนี่อายุเพิ่มขึ้นเอกิเลตลดก็พอแล้วเอกิเลตลดลงลดลงลดลงราคะลดลงนะโลหะลดลงส่วนมากราคามางก็ลดนะตามความแกงหงอมของร่างกาย ลโลภะล่ะโทสะล่ะมานะล่ะบางทีเพิ่มนะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแกงี้มานะเพิ่มนละ้เด็กไม่ยอมเชื่อเกิดโทสะแล้วแล้วก็บางทียุมยิมคนแก่เนี่ยอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากได้ยังไงบางทีท ต, ต, งตามวัดต่างๆนี่กุฏิหลวงตาบางองนะฮะบางองไม่ใช่ทุกอง ท่านเก็บอะไรไปไม่รู้รุงรังไปหมดเลยนั่นก็แสดงว่าโลภะยังอยู่หมายก็โมหะยังอยู่เก็บไปทําอะไรอะไรที่ให้ก็ได้สงเคราะห์คนอื่นก็ได้นี่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นก็สงเคราะห์เขไปแต่ท่านยังมีโมหะอยู่ท่ขานก็ขจัดไม่ได้ถึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระหรือว่าเป็นใครก็ตามเหมือนก็เหมือนกันนั่นแหละ ทีนี้ต่อไปก็บอกเป็นผู้ไกลจากกิเลสนี่เป็นคุณลักษณะของพระอระหันต์คือต้องการเน้นว่า น, นี่คือพูดถึงพระอระหันต์นะพระหันหมายถึงไกลพราหันหมายถึงหักกา ร, รมแห่งสังสาระจกักก็คือทําลายอวิชชาตนาอุปาทานอันนี้ชื่ออย่างเนี้ยในพระพุทธภาษิตนี้บอกว่าราคาโทสะอวิชาและกาสวะก็หมายความว่า เป็นการทำลายสัพพกิเลสเหล่านี้จนต่อจากนั้นไปเนี่ยมันมีอารมณ์มากระตุ้นให้เกิดกิเลสแต่ว่ากิเลสจะไม่เกิดเพราะว่าท่านไกลจากกิเลสรูปจะสวยยังไงก็สวยไปเถอะมันก็คือรูปเท่า น, นั้นเองเสียงไปรอดยังไงก็คือเสียงเท่านั้นเองกลิน่นหอมยังไงก็คือกลิน่นเท่านั้นรส อ, อร่อยยังไงก็คือรสเท่านั้น สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสสนใจก็จะไม่ยึดมันถรือมันนะอย่างตอนนี้ท่า น, น, นจะเห็นว่าตีะระฆังม้าก็หอนเอาหอนนี่คือธรรมดาของมันเมื่อทหารเราไปให้ใหความสําคัญไปสนใจมันไปเดือดร้อนกับมันเดีราก็ไปต้องทําอะไรหละ่ะแต่กต็ต่างคนต่างก็ว่ากันไปเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราก็ต้องทํางาน แล้ถ้าเราปล่อยวามันก็ไม่มีอะไรมันเป็นบรรยากาศธรรมชาติเป็นบรรยากาศธรรมชาติแือบางครั้งบางคราวถ้าทํารายการตอนโพรเพรนะฮะจะมีนกเยอะมากมาร้องอยู่มาร้องอยู่นอกฝ้ามันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งก็เราเห็นเป็นธรรมชาติแต่เราก็ไม่ได้ร้อนอะไร ทีนี้คนที่ขนาดเนี้ยคือหมายความว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อต่านไกลจากกิเลสไอ้กิเลสเป็นเหตุที่ขวนขวายเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อได้ทรัพย์สมบัติเพื่อได้แวน่แวนแคว้นเพื่อได้ตอบสนองทางวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายมันก็ไม่เกิดนี่ก็คือแสดงว่าจริงๆในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยวิ่งไล่ความอยากกันอยู่ เย็นพยายามที่จะตอบสนองความอยากกันอยู่ทั้งๆ ท, งที่อายุอานามก็มากแล้วนะยังคว้ากันนะฮะอยากได้อยากมีอยากเป็นกันอยู่คือถามม่อยากได้ไหมน้ามาเองที่จริงก็อยากได้อยากได้สนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยากได้กองทุนขึ้นมาดำเนินกิจการเพื่องานพระศาสนา อยากใหมีผู้เสียสละมาทํางานโดยก็หมายความว่าต้องมีค่าใช้จ่ายให้พอสมควรเนี่ยเราอยากได้อะเราเห็นว่าศาสนาจําเป็นจะต้องมีองค์กรพิเศษเพราะถ้าหากว่าไปยึดติดตามรูปแบบที่ชาวบ้านเขาเขียนให้พระเดินเนี่ยศาสนาจะไปได้ยากแต่ก็สบายใจอย่างว่าเราไม่ได้อยากพื่งตัวเราเลย แต่เราอยากเพื่อพระศาสนาเป็นความคิดฝันตั้งแต่บวชมาเลยไม่ใช่ว่าเพิ่งเพิ่งคิดนะฮะพอเราเห็นปัญหาเหล่านี้มาตั้งแต่ตอนตอน้นว่าคณะสงฆ์จะต้องมีองค์กรบุคคลทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งพระทั้งคารวะเนี่ยร่วมทํางานกันและการเคลื่อนไหวของคนก้อยเหมาะควรแก่กรณีนั้นๆตรงนี้ควรจะผู้หญิงไปทําตรงนี้ผู้ชายไปทําตรงนี้แม่ชีไปทํา ตรงนี้พระไปทําตรงนี้เน้นทําอะไรอะไรต่างๆก็แบ่งกันช่วยกันรับผิดชอบแต่แน่นอนต้องมีองค์กรจัดตั้งต้องมีงบประมาณต้องมีผู้ดาเนินงานต้องมีคณะทํางานแล้วก็ต้องมีงบประมาณแล้วก็มีเนื้องานนะที่เราจะจัดขึ้นไปอันนี้ที่จริงถามไหมก็อยากไหมก็อยากแต่ว่าเป็นธรรมชาติเป็นกุศลเจตนา ต้องการสนองงานพระศาสนาให้เต็มเม็เต็มหน่วยเท่านั้นต้องฟังเทลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี